ข้อความในมิลินทปัญหาหน้า420คาถาพิคีตะโภชนะคาถาปัญหาพิคีตะเนี่ยแปลว่าร้องขับร้องอ่ะแปลว่าโภชนะที่ได้มาจากการขับร้องว่างั้นฮะหรือที่เราเรียกกันว่าเกลี้ย ก, กล่อมพระเจ้ามิลินกลับเรียนถามพระนาคเษนว่าพระคุณเจ้านาคเษน พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงภาศสร็จความข้อนี้เอาไว้ว่าโภชนะที่เราขับกล่อมคาถาได้มามันก็ว่าขับร้องได้มาหรือว่าเชิญชวนได้มาเนี่ยนะเป็นของที่ไม่ควรบริโภคดูก่อนพราหมณ์ข้อว่าโภชนะที่ขับกล่อมด้วยคาถาได้มานี้ ก็ยังจัดว่าเป็นของควรบริโภคนี้ไม่ใช่ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอยู่โดยชอบอ น, นะไม่ใช่วิสัยของพระสัพพัญยูพุทธเจ้าแล้วไปเกลี้ย ก, กล่อมแล้วเอาอาหารมาฉันเพราะเกลี้ย ก, กล่อมเพราะอะไร น, นะเพราะเหมือนกับการขับร้องประโคมแล้วเขาให้อาหารมาเนี่ยไม่ทำพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงหลีกเลี่ยงโพชนะที่ขับกล่อมคาถาด้วยคาถาได้มา ดูก่อนพราหมณ์การเลี้ยงชีพนี้เพื่อมีเมื่อมีธทำก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปโปรดพราหมณกสิภาระทวชโคตรเมื่อพราหม์นั้นเขากําลังทํางานมงคลเกี่ยวกับเรื่องทํานานี่แหละมีบริวารเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะทีนี้พราหมณ์คนนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีมากแล้วแอกไทยพวกไทพวกอะไรเขาเนี่ยใช้ทองใช้เงินหุ้มทั้งนั้นอะ โคของเขาแต่ละตัวเนี่ยโหประดับตกแต่งมากมายเลยนะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มากในยุคนั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็เห็นอุปนิสัยของพราหมณ์คนนี้ว่าเมื่อพระองค์ไปแล้วจะสงเคราะห์ให้เขาได้บวชแล้วสําเร็จเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็ไปนีพ่พอพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่นั่นแหละพวกคนงานทั้งหลายเขาเนี่ยเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าหมดเลยไม่สนใจงานของพราหมณ์เลยพราหมณ์ก็โกรธขึ้นมาเลยบอกเออเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอคือพระองค์เนี่ยควรจะทํานา อ่ะ น, นะไม่ใช่ว่ามาใช้ชีวิตแบบนี้ควรไปทำนาเพราะการไถานาทำนาของพระอ ง, ะองค์พระองค์จึงได้อาหารมาแล้วค่อยบริโภคไม่ใช่คล้ายๆก็เนบว่าอย่าไม่ใช่มาเที่ยวขอเขาอยู่แบบนี้ต้องทำนาเองคล้ายแบบนี้นะพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยก็ทำนาเหมือนกันพระองค์ก็ทำนานะอา้าวพระองค์ก็มีการไถาการหว่านเหมือนกันอ่ะแล้วพระองค์ทานายยังไง พระองค์ก็เล่าให้ฟังเพราะพระองค์มีปัญญาเป็นไถมีสติเป็นเชือกอะไรพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องในกสิภาระตวาชสูตรพอพระองค์ตรัสจบปับ๊บโอพระองค์ก็เป็นชาวนาก็เลยเอาอาหารมาเนี่ยอาหารถวายบอกไม่ชั้นอาหารที่ได้มาโดยการขับกล่อมอันเนี้ยเนี่ยก็เป็นที่มาของประโยคนี้ว่าคือจริงๆแล้วพระองค์ก็แสดงทำไปตามเนื้อหาแต่ว่าไม่ใช่เป็นการขับกล่อมที่ ท, ที่เพื่อประสงค์จะเอาอาหารอะไรแต่ถ้าดูไม่ดีเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งคอรหาวะนี่ เขาเกลีย้ยกล่มอมพระองค์เกลีย้ยกล่อมนะจึงได้อาหารมาก็เหมือนว่าถ้าไม่มีอย่างนี้ก็เหมือนว่าพระองค์ไปเที่ยวกล่อมไปเที่ยวเขากําลังไช้นาเขามีอาหารเยอะแยะไปพูดเสร็จแล้วเขาก็ให้อาหารมาท่านจะเสียเกียรติขนาดไหนขนาดพระองค์ทําอย่างนี้นะพระเจ้ามิรินยังยกมาเป็นปัญหาได้เลยอย่างั้นอันนี้ที่หนึ่งอันนัอันนี้ปัญหาก็ฟังดูแล้วก็ยังไม่ขัดแต่ที่ขัดก็เอามาบอกว่าแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งนะหหลายๆครั้งก็เถอะ พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมก็กล่าวธรรมแก่บริษัท ต, ตรัสอนุปุพีิกถาเช่นอะไรพยศกุลบุตรมาก็อนุปุพีิกถาพ่อมาก็อนุปุพีิกถาไปแสดงให้ภริยาและบริวารของพยาศาัฟังก็อนุปุพีิกถาเพื่อนพยะมาก็อนุปุพีิกถาอ น, นะขึ้นต้นด้วยทานก่อ น, น, นแล้วตลอดจนถึงอะไรพระเจ้ า, าพระเจ้าพิมพิสามพร้อมทั้งบริวาร ก็อนุปุพีคาถาอีกลายเรื่องก็อนุปุพีกาถาทั้งนั้นแหละแล้วค่อยตรัสสีละคถาทีหลังก็สอนเรื่องให้ทั้งนั้นแหละพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพอได้ฟังเรื่องทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นอิสระในโลกทั้งปวงพระองค์นั้นก็เลยพากันจัดแจงถวายทานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงบริโภคใช้สอยทานที่เขาจัดถวายนั้นประเด็นก็มีอยู่ว่าพระคุณเจ้า ถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโภชนะที่เราขับกล่อมด้วยคาถาได้มาเป็นของที่ไม่ควรบริโภคถ้าจริงนะถ้าอย่างนั้นคําที่พระองค์ตรัสไวว้่ปคําที่บอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสฐานนั ก, กาก่อนดังนี้เป็นต้นก็ย่อมไม่ถูกต้องก็บอกว่าไม่กล่อมแล้วคือ ว, ว่าไม่ฉันอาหารที่ได้มาโดยการขับกล่อมเสร็จแล้วบอกว่าเทศเรื่องทานเขาก็เอาอาหารมาถวายแล้วก็ฉัน เอ้มขัดกันนะเออฟังแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะฟังดูแล้วถ้าหากว่าเราไม่โยมไม่มีโยนิโซโมนาสิการไม่ฉลาดคิดไม่มีปัญญาเนี่ยนะเออฟังมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะเออมันก็จริงอย่างที่ท่านว่านะคือจริงในความเชื่อของเราในความเห็นของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าตราานนัสฐานกฐานกทาก่อนจริงซ้ายถ้าอย่างนั้นคําที่บอกว่าโภชนะที่เราขับกล่อมคาถาได้มา เป็นของไม่ควรบริโภคดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องเพราะเหตุใดหรือพระกุณเจ้ า, านะคือคือแอกคนที่มีความเห็นขัดแย้งนะก็ต้องมีความเห็นที่มาสนับสนุนความเห็นขับสนับสนุนคําขัดแยง้งก็บอกว่าพระกุณเจ้าท่านผู้เป็นทักขินาย บ, บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวถึงวิบาศอันนี้สงหรือผลแห่งการถวายทานบิณฑบาตแก่พวกครือขัดพวกครือขัดเหล่านั้นฟั ง, ฟงธรรมกถาของท่านผู้นั้นแล้ว เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสถวายทานอยู่เรื่อยๆถ้าพวกท่านไม่เทศอั น, นิสงส์ของทานเขาจะถวายหรือว่างั้นเพราะฉะนั้นท่านเหล่าใดบริโภคใช้สอยทานที่เขาถวายนั้นน่ะท่านเหล่านั้นทุกท่านก็รู้วแต่ชื่่อวาบริโภคใช้สอยโภชนะอาหารที่ขับกล่อมเป็นคาถาได้มาเพราะฉะนั้นเกลีย ก, กล่อมเขาได้มาทั้งนั้นแหละว่างั้น แต่ว่าปัญหาแม้ข้อนี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดถือว่าเป็นปัญหาสองประเด็นนะเพราะถาไม่อย่างนั้นมันขัดกันบอกว่าไม่กเกลี้ย ก, กล่อมเสร็จแล้วบอกนี้ก็เทศอันนี้สงก่อนน่ะมันจะไปไหนอ่างนั้นนะนะพระนาคเสงก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาปีติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาสิทธข้อความนี้ไว้ว่า โภชนะที่เราขับกล่อมด้วยคาถาได้มาเป็นของที่เราไม่ควรบริโภคอะนะอันนี้พระองค์ตรัสจริงและพระองค์ก็ให้เขาไปเทอาหารนั้นทิ้งจริงๆด้วยเพราะว่าพอเทใส่น้าปรับน้ำนี่เดือดขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเทวดาใส่ทิพโอชาไปมากแล้วด้วยพุทธานุภาพด้วยและอีกที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยปกติก็ตรัสอนุปพิกรถาจะขึ้นต้นด้วยทานักถาก่อนนะจริง อันนี้เหตุผลทำไมพระองค์จึงแสดงอนุปพิกถาด้วยฐานะาถาขึ้นก่อนว่าเป็นกิจที่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ทรงกระทมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะแสดงอ น, นิสงส์ของเครื่องการให้ทานก่อนเป็นลำดับแรกทรงทำจิตของสัตว์ทั้งหลายให้ยินดีในฐานกถา น, นั้นแล้วภายหลังทรงชักชวนให้ประกอบในศีลถามว่าทไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงฐานกถา ต่อแล้วต่อด้วยศีลกลาถาคนการที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทานเนี่ยเท่ากับพระองค์สอนสัมมาทิฏฐินะสอนสัมมาทิฏฐิข้อไหนกรรมสักกตาสัมมาทิฏฐิให้ทานแล้วมีผลพระพุทธเจ้าจะประกาศทาอ่ทาการให้ทานมีผลนะการรักษาศีลเนี่ยมีผลก็คือสอนกรรมสกกตาสัมมาทิฏฐิผลของการให้ทานรักษาศีล จะเกิดที่ไหนเป็นปัจจัยให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็คือเท่ากับสอนกรรมสกทาสัมมาทิฏฐิใช่ไหมการให้ทานมีผลการรักษาศีลมีผลการบูชามีผลการต้อนรับเชื้อเชิญมีผลเห็นไหมวิบา ก, กรรมดีกรรมชั่วมีอยู่สัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้มีผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นมี ทำดีทำชั่วกับพ่อแม่ก็มีผลสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็มีพร ะ, ะพระพุทธเจ้าก็มีอยู่จริงก็เท่ากับประกาศแต่ว่าจะยกเรื่องราวอะไรมาเป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบเพื่อให้เขามีกรรมมาสกตาถ้าไม่มีกรรมมาสกตาเนี่ยน ะ, ะถ้าไม่มีกรรมมากตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิจะมีได้ไหมไม่ได้แต่พระองค์จะไม่บอกหรอกว่ามันต้องเชื่อเรื่องกรรมก่อนนะไม่วิธีการของพระพุทธเจ้าจะเล่าเรื่องให้ฟัง อตีเตกาเลเรื่องเมื่ออดีตสมัยพระเจ้าพมทัดครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสีหรือว่าพระเจ้าอังคติราชครองราชสมบัติอยู่ในกรุงมิถิลาอะไรพระองค์ก็จะตรัสเล่าก็ เ, าเล่าเรื่องอดีตนะพระเจ้าองค์นั้นทํากรรมอย่างนี้ไปสู่ที่นี่นะให้ทานอย่างนี้ได้รับผลอย่างนี้นั่นแหละพระองค์จะเล่าลักษณะเป็นเรื่องราวประกอบแต่ว่าต้องการบอกอะไรต้องการบอกให้มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิแล้วก็แสดงเรื่องศีลต่อไป นะแสดงผลแห่งบุญผลแห่งบาปก็แสดงทา่าก็เท่ากับว่าประกาศสวรรค์น่นะผลแห่งบุญผลแห่งบาปและประกาศถึงความไม่จีรังยั่งยืนของสังสารวัตรความไม่เป็นสแกนสารของวัตตะและพระองค์ก็ประกาศอริยสัจให้เขาฟังในตอนท้ายเขาก็มีการบรรลุมรรคผลนั้นคนที่จะบรรลุมรรคผลน่าจะไม่ใช่เป็นคนมองชีวิตชาติเดียวเป็นมองชีวิตอดีตไม่มีที่สุดอนาคตก็ไม่มี ที่สุดมองเห็นเชื่อมโยงโดยความเป็นเหตุเป็นผลแล้วตัดต่อไม่ให้มีวัตตะต่อไปได้ น, น, นะนะเขาเรียกว่าตัดปฏิสนธิได้ศึกษาอริยมรรคเพื่อตัดปฏิสนธิพราะผู้ที่จะบรร ล, ลุอริยสัจต้องเข้าใจเรื่องปฏิสนธิเป็นอย่างดีอริยมรรคเป็นตัวตัดปฏิสนธินะถ้าไม่รู้จักปฏิสนธิแล้ว่จะปฏิบัติเพื่อตัดปฏิสนธิอันไหนอริยมรรคทำกิจตัดปฏิสนธิ เช่นโสดาปติมัคเนี่ยนะตัดปฏิสนที่ไม่ให้เกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรัฉานอริยมักตัดปฏิสนที่ในภพที่8ก่อนอย่างโสดาปฏิมักนะตัดปฏิสนที่ที่จะเกิดเป็นมนุษย์ในภพที่8สก่ทาคามิมักตัดปฏิสนที่ในภพที่2เป็นต้นอนาคามีมักตัดปฏิสนที่ตัดการสืบต่อในกามมาภพอีกต่อไปอรหัตมักตัดปฏิสนที่ในภพทั้งปวง ถ้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมแล้วจะเข้าใจเรื่องจุติปฏิสนธิเรื่องเกิดในภพภูมิต่างๆได้อย่างไรถ้าไม่เข้าใจอย่างนั้นแล้วจะศึกษาปฏิบัติอริยมรรคเพื่อออกจากปฏิสนธิเหล่านั้นอย่างไรเป็นต้นนั้นพื้นฐานเรื่องกรรมมศกตาเรื่องวิปัสนาจนถึงอริยศาสตร์นั้นจึงมีการประกาศไปตามลําดับการแสดงเรื่องทานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เกลี้ยกล่อมอาหารนะไม่ใช่เกลี้ยกล่อมให้เขาถวายของนะเพราะนั้นคนที่จับประเด็นไม่ดีอ้าวเอ มันก็พูดอันนี้สงของทานจะให้เขามาถวายตัวละมั่งเนี่ย น, นะก็จะอยู่อย่างนั้นแหละขอถวายพระพรไอ้ที่แสดงทานก่อนฉันว่าจริงอ่ะนะนะเหตุผลอันหนึ่งก็คือมันเข้าใจง่ายมันฟังไม่ยากก็หยิบให้ซะด้วยเจตนาที่หวังดีต่อผู้รับนั่นแหละเป็นทานแล้วอะนะนก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนว่าคนทั้งหลายให้ของเล่น เช่นว่าคันไถน้อยไม้เหินกังหันน้อยเครื่องตวงน้อยรถน้อยธนูน้อยตุ๊กตาน้อยกับเด็กทั้งหลายก่อนเที่ยวภายหลังจึงชักชวนให้เขาเหล่านั้นให้เด็กน้อยเหล่านั้นน่ะประกอบในการงานที่สมควรนะตอนแรกก็ให้เล่นก่อนนะตอนตก็ให้เรียนโดยลําดับในที่สุดก็เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวสา ม, มารถที่จะบำรุง บุาบำรงบิดามารดาสงเคราะห์บุตรภรยาใช้ชีวิตในโลกเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะฉันใดขอถวายพระพรพระตถาคตก็ทรงทาจิตของศาสตร์ทั้งหลายให้ยินดีในทานนักถากรภายหลังจึงทรงชักชวนให้ประกอบในศีลฉันนั้นเหมือนกันเ น, นะเพราะว่าทานเนี่ยมันทำง่ายถ้าจะกล่าวถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเริ่มต้นด้วยการทาให้ทานเนี่ยทง่าย ถ้าเทียบกับการรักษาศีลศีลถ้าแค่ปานาติปาตาว่าเปล่าไม่ยากแต่ถ้าจะรักษากุศลเจตนาเหล่านั้นให้บ่อยให้ยาวให้ยืดให้เจริญเนี่ยยากเนี่ยนะที่โดยเฉพาะยิ่งจะเจริญเจตนาอันนี้แล้วมีเมตตาต่อสัตว์ด้วยเข้าไปอีกก็ยากเข้าไปอีกแล้วก็จะพิจารณาชีวิตนั้นเป็นที่ตั้งแห่งสังขารธรรมเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติโวหารว่าเป็นสัตว์สิ่งเหล่านั้นก็คือสังขารธรรม เป็นที่รวมแห่งขันห้าวิจัยพิจารณาเพื่อให้เห็นอริยสัจมันก็ค่อยๆยากไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าพูดเรื่องทานก่อนเข้าใจง่าย น, นะแม่กะทั้งเด็กน้อยเด็กน้อยทั้งหลายก็ให้ทานได้กันก็เด็กก็ให้ทานได้นะเด็กบางคนก็ไปเห็นขอทานเนี่ยไปดึงแม่ดึงพ่อเลยเนี่ยเ น, น, นี่ต้องให้ทานเขานะ น, นะบางคนเนี่ยที่ถูกฝึกมาก็จะให้ได้ง่ายแม้แต่เด็กๆ ก, ก็ยัง ให้ได้จะกล่าวไปยายถึงคนตโตๆผัสตัวทั่วๆไปก็จะสอนเรื่องการให้ทานง่ายกว่าเพื่อนนะถ้ากล่าวถึงการเจริญกุศลธรรมในาศาสนานี้ทา น, นง่ายกว่าเพื่อนแต่จะจะให้ได้บ่อยให้ได้ยาวให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นสังฆทานเป็นวิหารทานนะถ้าอย่างนั้นมันก็ยากนะก็เป็นเรื่องของคนมีบุญแต่ถ้ากล่าวไปแล้วรวมๆแล้วทานนี้ทำง่ายกว่ากุศลธรรมอย่างอื่นทุกชนิดเลยว่างั้นขอถวายพระพร อีกอย่างหนึ่ ง, งนะนะอุปมาแรกเปรียบเหมือนว่าถ้าสอนเด็กก็ต้องให้เด็กเล่นของเล่นธรรมดาง่ายๆก่อนนะนะในที่สุดก็ประกอบอาชีพอุปมาที่สองเปรียบเหมือนว่าธรรมดาว่าแพทย์เนี่ยนะหมอเนี่ยตลอดสี่ห้าวันแรกก็จะให้ผู้ป่วยดื่มน้มามันก่อนเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมกําลังเพื่อให้เกิดความยินดีพวกหมอผ่าตัดนะนะภายหลังก็เลยให้ขับถ่ายหมอโบราณก็ทําอย่างนั้นหมอสมัยใหม่ก็ไปคุยกันเอง ขอถวายพระพรพระตถาคตก็ทรงทรรมจิตของสัตว์ทั้งหลายให้ยินดีในทานคทากรภายหลังจึงทรงชักชวนให้ยินดีในศีลฉันฉนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรจิตของทายกผู้เป็นฐานบาดีย่อมเป็นธรรมชาติที่อ่อนมีความนุ่มนวลแจ่มใสพวกทายกเหล่านั้นย่อมไปถึงฝั่งทะเลคือสังสารวัรได้ด้วยสะพานคือทานด้วยเรือคือทานะัน จิตของทายกทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่ให้ทานเนี่ยจะเป็นจิตที่เบาจิตที่อ่อนจิตที่นุ่มนวลแล้วก็จิตที่ไม่มีนิวรคื อ, อมัชชรยิยะนี่ครอบงำทายกเหล่านั้นก็เริ่มเข้าใจแล้วเออการให้ทานเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับเสบียงทางของผู้ที่ยังเป็นภายในวัตตะพ่านคนที่ให้ทานที่รู้ผลแห่งการให้ทานก็จะลึกถึงผลแห่งการให้ทานในอนาคตถึงผลแห่งการให้ทานเพื่อให้มีอะไรให้มีปัจจัยสี่ เมื่อมีปัจจัยสี่ปัจจัยสีนี้มาอุ้มชูอะไรมาเป็นปัจจัยแก่อะไรก็มาเป็นปัจจัยแก่ชาติชารามรณะนั่นแหละเป็นมาอะไรอาหารก็มาบำรุงชาติชารามรณะเครื่องนุ่งห่มก็มาป ก, ป, ก, ป, กปิดสิ่งที่มีชาติชารามรณะที่อยู่อาศัยก็ที่มุงที่บางของวัตถุที่เรียกว่าที่ตั้งแห่งชาติชารามรณะก็มีแต่เวียนว่ายตายเกิดนั้นจิตก็เริ่มเบื่อหน่ายในวัด ต, ตะขึ้นพระองค์ก็สอนสอนสอ น, สอนในที่สุดเขาก็ เห็นอรยาศาสตร์ตามที่พระองค์แนะนําพร่มสอนเขาก็บรรลุทำที่สุดแห่งวัตถทุกขได้เพราะนั้นจึงขึ้นต้นด้วยทานก่อนเขาบอกแม้แต่ทานก็ยังไม่ให้กขบอกไม่มีอะไรจะคุยกันนะว่ากั น, น, นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอนุสาสธานนกถาอันเป็นพื้นฐานแห่งการงานของคนเหล่านั้นก่อนแต่ไม่ได้ทรงยอมให้ภิกษุรูปไรๆใช้วินยตพระองค์ให้แสดงเรื่องทานและผลแห่งทานแต่ไม่ได้อนุญาตให้พระภิกษุ ขอขอปัดใจนะขอปัจใจสี่จจ 4, โดยเฉพา ะ, อ, ะอย่างเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะจีวรลเป็นต้นเว้นไว้แต่ญาติเว้นไว้แต่คนปรวรณาก็ไม่ได้เที่ยวให้ไปขอทั่วไปหมดอาหารก็ไม่ใช่ว่าให้ข อ, อนะให้ขอถ้าขอได้เฉพาะคนที่เป็นญาติและประวรณามีวินัยบัญญัติเลยเว้นไว้แต่ญาติเว้นไว้แต่ปวารณาเนี่ยนะนะไม่งั้นเนี่ยเป็นอาบัตเช่นถ้าได้มาแล้วเป็นอาบัตข้อนี้ถ้าอย่างเช่นผ้าเนี่ย ถ้าเขาไม่ได้ปวารณาเขาก็มีบัญญัติเนี่ยนะวินัยบัญญัติว่าติกะปาจิตีเนี่ยนะติกะปาจิตีเป็นต้นเนี่ยเขาจะแสดงว่าเออเนี่ยถ้าได้อย่างนี้มาเป็นปาจิตีเสร็จแล้วก็อนนาปฏิวานเว้นไว้แต่ได้มาเดนี้โดยทรัพย์ของตนโดยขอกระยาติขอกับคนที่ปวารณาอะไรเขาจะมีวินัยบัญญัติกล่าวไว้ทั้งหมดนั่นไม่ใช่กล่าวอย่างนี้แล้วพระองค์ให้สอนพูดถึงทานและผลแห่งการให้ทาน แต่ไม่ได้แนะนําบอกให้พระพิสุทธิ์เที่ยวไปลักษณะไปเอ่ยปากขอโดยวินยัตเนี่ยไม่ได้ให้ทําอย่างนั้นพระเจ้ามิรินก็เลยถามว่าพระนาคเสณท่านกล่าวคําว่าวินยัติเออครัพระเจ้าขอถามว่าวินยัตเนี่ยมีเท่าไหร่พระนาคเสณก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษวินยัติมีสองอย่างคือกายวินยัติและวจีวินยัติ ในวินยัตทั้งสองนั้นกายวินยัตก็แบ่งเป็นสองอย่างที่มีโทษก็มีที่ไม่มีโทษก็มีวจีวินยัตก็มีสองอย่างคือที่มีโทษและที่ไม่มีโทษคำว่าวินยัตในอัตถกถาอธิบายเพิ่มเติมในหน้า430ว่าวินยัตเนี่ยมี2อย่างนะทั้งกายวินยัตและวจีวินยัตกายวินยัตก็มีสองอย่าง นะนะมีโทษกับไม่มีโทษคำว่ากายวิญยัติหมายถึงอะไรหมายถึงการขยับเขยือนเคลื่อนไหวทางกายมียืนเดินนั่งนอนกวักมือพยักหน้าสายหน้าเป็นต้นอันนี้เรียกว่ากายวิญญัติกายวิญยัตเนี่ยหมายมีความหมา ย, มา ย, มายสองอย่างหนึ่งประสงค์ให้ผู้อื่นรู้อันหนึ่งนะประสงค์ให้ผู้อื่นรู้สองตัวเองก็รู้ว่าตัวเองทาอย่างนี้ทําไมรู้ความประสงค์ของตนคำว่าวิญยัตเนี่ยนะเพราะแสดงให้รู้แสดงให้ แสดงให้ผู้อื่นรู้หรือตัวเองเนี่ยแสดงด้วยความรู้ของตัวนี่จึงเรียกว่าวินยัตรหรือกวักมือก็เรียกว่าวินยัตเนี่ยนะเช่นขยับเย้อนเคลื่อนไหววจีวินยัตหมายถึงการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวทางวาจาคือฐานะที่อุบัติแห่งเสียงมีคอสีษะเพดานปุ่มเหงือกเป็นต้นน่นะหรืออวัยวะที่เป็นใช้เป็นเครื่องแต่งเสียงมีลิ้นเป็นต้นในเวลาที่เปล่งคาพูด หรือหนึ่งเพราะเพราะประสงค์จะให้เขารู้หรือตัวเองรู้อยู่ว่าตัวเองพูดเนี่ยประสงค์อะไรเลยเรียกว่าวิญยัตเนี่ยนะกายวิญยัตและ ว, วจีวิญยัตนั้นนะที่ชื่อว่ามีโทษเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นเหตุให้เป็นอาบัติถ้าพระภิสุเนี่ยนะถ้าล่วงละเมิดออกมาวิญยัตนั้นเป็นอาบัติอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเป็นเหตุ ข, ขัดขวางการบรรลุ ค, คุณธรรมชั้นสูงอย่างที่สามก็บอกว่าทําลายศรัทธาของผู้ที่ไม่มีศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยนะอย่างที่สี่ก็ ทำศรัทธาทำศรัทธาของผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วให้เสื่อมไปที่ห้าก็บอกว่าถ้าโมแต่ขออยู่อย่างนั้นเป็นเหตุให้ทา ย, ยกผู้ถวายปัจใจได้รับอ น, นิสงฆ์แห่งการให้ทานเนี่ยน้อยเพราะว่าอย่างอย่างอย่างคนที่ขี้ขอทั้งหลายเนี่ยนะอย่างสมัยหนึ่งนะพมีพระพิโสเนี่ยโอชอบสร้างกุฏิมากชอบขอมากเล ย, เยขอเที่ยวขอชาวบ้านจนถึงขนาดว่า ชาวบ้านเนี่ยเสียหายคือละเมอไปเลยนะเห็นโคก็นึกว่าพระพิสุหลบเลยอะ่ะกลัวมากเลยกลัวท่านมาขออีกแล้วเนี่ยนะจริงนในในวินัยเนี่ยเรื่องสร้างเสนาสนะเนี่ยนะบัตรสังขารทิเศเนี่ยพระพิสุยุค น, นั้นแสดงว่าขอกันมากมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งชอบสร้างกุฏิอยากจะมีที่อยู่เองก็เที่ย ว, ยวขอทีเนี้ยเดี๋ยวก็ขอแรงงานมั่งเดี๋ยวก็ขอวัสดุเข้ามาั่งเดี๋ยวก็ขอนโน่นขอเนี่ไปเที่ยวขออยู่นั่นแหละจนชาวบ้านเห็นโคเนี่ยหลบเลยนึกว่าโอ้พระมาอีกแล้วเนี่ยนะขออีกแล้ว อันนี้ก็มีอันนี้ก็อันนั้นแหละที่เป็นเหตุเสียหายเนี่ยนะจนที่เรียกว่าบัญญัติพระพิสูุห้ามสร้างกุฏิเองเป็นต้นเนี่ยนะ ท, ที่แต่ว่าเรื่องนี้เราต้องไปศึกษาให้ดีเนี่ยนะศึกษาให้ดีเดี๋ยวไปเห็นพระบางรูปดูแลการก่อสร้างแล้วก็บอกว่าเป็นอบัติอีกนั่นต้องศึกษาให้ดีนะโดยเฉพาะพระบพินัยนั้นควรศึกษาให้ครบถ้วนไม่อย่างนั้นพูดแล้วก็ขาดทุนย้อนกลับมาในมิลินทปัญหาที่พระนาคเสนอธิบายว่า กายวินยัตที่มีโทษนั้นเป็นไนการแสดงออกทางกายให้ผู้อื่นรู้เนี่ยที่แบบมีโทษคืออะไรคือพิสูบบางรูปในพระศาสนานี้เข้าไปสู่ตระกูลแล้วยืนอยู่ในโอกาสที่ไม่สมควรไปทําการยืนให้เสียหายนี่ชื่อว่ากายวินยัตที่มีโทษพระอริยบุคคลทั้งหลายย่อมไม่บริโภคปัจจัยที่ใช้กายวิญยัตที่มีโทษนั้นบอกให้ทายกรู้ และบุคคล น, นั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่น่าดูหมิ่นหน้าตําเนิหน้ารังเกียจหน้าติเตียนน่าเหยียดหยามไม่น่าเคารพในความเห็นของพระเรียเจ้าทั้งหลายย่อมถึงการนับว่าเป็นผู้มีอาชีวะแต่กคำรายก็คืออาชีวะจะัดอาชีวะมะกะัดศีลเนี่ยนะหรืออาชีวะขออภัยอาชีวะปริสูที่ศีลเนี่ยเสียหายขอถวายพระพรมีอีกข้อหนึ่ง ภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้เข้าไปสู่ตระกูลแล้วยืนอยู่ในโอกาสที่ไม่สมควรกงคอเพ่งมองไปเหมือนนกยุงเนี่ยเพ่งมองด้วยคิดว่าทายกเหล่านี้จะมองเห็นเราด้วยวิธีการอย่างนี้เพราะเหตุนั้นพวกทายกเหล่านั้นจึงมองเห็นเธอนี้ก็ชื่อว่ากายวิญยัตที่มีโทษพระอริยบุคคลทั้งหลายย่อมไม่บริโภคปัจจัยที่ใช้กายวิญยัตที่มีโทษนั้นบอกให้พวกทายกรู้ และบุคคลนั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่น่าดูเม็นหน้าตําหนิหน้ารังเกียจหน้าติเตียนหน้าเหยียดหยามไม่น่าเคารพในความเห็นของพระเรียกเจ้าทั้งหลายย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้มีอาชีวะแตกทาลายก็ก็จริงอนะเพราะว่าอย่างสมัยนี้เนี่ยนะบางทีโยมเขาก็ไม่ค่อยอยากคุยกับพระแล้วบอกเอ๊จะมาหาอะไรอีกเนาะว่างั้นนะท่านจะมาหาอะไรนะท่านจะมาขออะไรหรือบอกว่านี่มาหาลาภสการะเนี่ยนะก็จะเป็น คือคือสมัยใหม่เนี่ยซึ่งเราก็ได้ยินไม่น้อยเนี่ยนะซึ่งก็มีผู้ที่เขาทำอย่างนั้นให้เป็นที่ตั้งแห่งอ่หลายคนเข้าใจแบบนั้นเนี่ยนายกใหม่เนี่ยนะขอถวายพระพรมีอีกอย่างหนึ่งพิกษุ์บางรูปในพระศาสนานี้เข้าไปสู่ตระกูลและใช้แก้มบ้างใช้คิ้วบ้างใช้หัวแม่มือบ้างใช้มือบ้างบอกให้ทายกรู้ นี้ก็เป็นกายวิญยัติที่มีโทษพระอริยบุคคลทั้งหลายย่อมไม่บริโภคปัจจัยที่ใช้กายวิญยัติที่มีโทษอย่างนั้นน่ะบอกให้ทายกรู้และบุคคลนั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่น่าดูหมิ่นหน้าตําหนิหน้ารังเกียจหน้าติเตียนหน้าเหยียดหยามไม่น่าเคารพในความเห็นของพระอาริยบุคคลทั้งหลายย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้มีอาชีวะแตกทาลายก็ไม่ค่อยงามอยู่แล้วใช่ไหมถ้าหากว่าไปทําตัวดังที่กล่าวไปเนี่ยนะ กายวิญญัตที่ไม่มีโทษเป็นชนยัยภิกษุในพระาศาสนานี้เข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายแล้วเป็นผู้มีสติมีจิตตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีสติก็คืออะไรสตินีใช่หัหยจิตตั้งมั่นก็สมาธินสีสัมปชัญญะก็คือปัญญินีไปด้วยสมถาวิปัสสนานั่นเองมีสติมีจิตตั้งมั่นก็สมถะสัมปชัญญะก็เป็นวิปัสสนาไปด้วยสมถาวิปัสสนาไปในที่สมควรหรือไม่ไม่สมควร ตามที่ปฏิไปตามที่พระองค์อนุาสาจหยุดยืนในที่ที่สมควรเมื่อมีผู้ต้องการถวายก็หยุดยืนเมื่อไม่มีผู้ต้องการถวายก็หลีกไปนี้ชื่อว่ากายวิญยัติที่ไม่มีโทษภาริยะบุคคลทั้งหลายย่อมบริโภคปัจจัยที่ใช้กายวิญยัตที่ไม่มีโทษนั้นบอกให้ทายกรู้และบุคคล น, นั้นก็เป็นผู้ที่น่ายกย่องน่าชมเชยน่าสรรเสริญมีความประพฤติขูดเกา่าความเศร้าหมองคือกิเลส ถึงความนับว่าเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ทีเดียวขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นเทพยิ่งเหล่าเทพได้พาเสร็จข้อความนี้ไว้ว่าไว้ในชาดกว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายย่อมไม่ขอเขาเลยเที่ยวก็ทายกผู้เป็นนักปราดย่อมรู้ได้เองเพราะเขาเจาะจงมาพระรีเจ้าทั้งหลายจึงหยุดยืนนี้คือการขอของพระรีเจ้าทั้งหลาย ก็คือไปยืนให้เขาเห็นหน่อยนะถ้าเขาเห็นแล้วเขาไม่ประสงค์กัถวายก็ไปนะเพราะว่าเขาไม่ถวายนะก็ไม่ต้องไปอะไรให้เขาถวายอะไรนะอย่างบางรูปเนี่ยนะเพื่อเพื่อจะสงเคราะห์เนี่ยไปยืนให้เขาเห็นอยู่เจ็ดปีก็มีใช่ไหมอย่างที่จะโปรดอ น, นาภานากเกษตรเนี่ยอาจารย์ธนากเกษตรเนี่ยไปยืนอยู่เจ็ดปีเลยหรือว่าโปรดติสะพระติสะที่โมคคลีบติสะก็ไปยืนให้เขาเห็นอยู่เจ็ดปีไม่เคยเข้าไปโค อ, อะไรหรอกแต่ไปยืนให้เขาเห็นหน่อยพรอเขาเห็นแล้วก็ไม่ใส่ออกไปต่ออย่างนั้นนะ อันนี้เป็นกายยะวิญยัตที่ไม่มีโทษทีนี้ว่าจีวิญยัติเกี่ยวกับการเอ่ยปากเนี่ยนะเอ่ยปากเป็นต้นว่าขอถวายพระพรพระสุบางรูปในพระศาสนานี้กล่าวขอของหลายอย่างเช่นขอจีวณขอบินทบาทเสนาสนะเครื่องบริการคือยาอันเป็นปัจจัยสําหรับคนป่วยไข้ด้วยวาจานี้ชื่อว่าวินวจีวิญยัติที่มีโทษ ในดังที่กล like ่าวไปแล้วในการขอพวกนี <air lawyer> hmm ้เว้นไว้แต่ญาติเว้นไว้แต่ปวารณาเท่านั้นแม้แต่เรียบเคียงยังไม่ได้เหมนก็พระอริยบุคคลทั้งหลายย่อมไม่บริโภคปัจจัยที่ใช้วจีวิญยับที่มีโทษนั้นบอกให้ทายกรู้และบุคคลผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่น่าดูหมิ่นหน้าติเตียนหน้าตําหนิหน้ารังเกียจน่าเหยียดหยามไม่น่าเคารพในความเห็นของพระอาริยเจ้าย่อมถึงความนับว่าเป็นผู้มีอาชีวะแตกทําลาย เพของเหล่านั้นที่ได้มานี่เป็นอบัติเลยนะขอขอที่ของได้มาเช่นอย่างขอโภชนะเนี่ยนะขออาหารนี่ก็เป็นอบัติหรือว่าไปขอผ้าเนี่ยนะผ้าจีวร น, นี่ก็เป็นนะท่าไม่ใช่หังที่กล่าวไปว่าไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาที่เขาเอ่ยปากว่าจะให้ของเหล่านั้นไว้ก่อนแล้วก็ให้เลือกเอาอันนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งในด้านพระวินัยก็มีมีรายละเอียดเนี่ยนะในวัตถุแต่ละอย่างแต่ละอย่างพระวินัยนั้นบัญญัติศิกขาบทหรือศีลตามวัตถุต่างๆ วัตถุนี้เมื่อไปเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องแบบนี้เป็นอาบัติอย่างนี้ถ้าทำผิดแบบนี้เป็นอาบัติอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ไม่เป็นอาบัติเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่ามีโทษกับไม่มีโทษนั่นเองขอถวายพระพรยังมีอีกข้อหนึ่งพิกูุบางรูปในพระศาสนานี้เมื่อจะกล่าวให้ผู้อื่นได้ยินก็กล่าวอย่างนี้ว่าอาตมาภาพมีความต้องการด้วยสิ่งนี้ และพิสูรรูปนั้นก็มีความอยากเกิดขึ้นพร้อมกับวาจาที่กล่าวให้ผู้อื่นได้ยินอันนี้ก็จัดว่าเป็นว จ, จีวิญยัตที่มีโทษเนี่ยนะพระรยะ บ, บุคคลทั้งหลายย่อมไม่บริโภคปัจจัยที่ใช้ว จ, จีวิญยัตที่มีโทษนั้นบอกให้ทายกรู้เนี่ยนะและพระบุคคลผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่น่าดูหมิ่นหน้าติเตียนหน้าตำหนิหน้ารังเกียจหน้าเหยียดยั้งไม่หน้าเคารพ ในความเห็นของพระเรียเจ้าทั้งหลายอันพฤติกรรมหลายๆอย่างสําหรับผู้ที่มีหิริโอต ป, ปะเห็นแล้วก็รังเกียจเนี่ยนะตำหนกิก็ถึงว่าเป็นผู้มีอาชีวะแตกทําลายขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งภิกษุบางรูปในพศสนานี้เปล่งวาจะให้บริษัทได้ยินว่าควรถวายของแก่พิสูจนทั้งหลายอย่างนี้และอย่างนี้คนเหล่านั้นพอได้สดับคําของพิสูจนรูปนั้นก็น้อมถวายปัจจัยที่พิสูุรูปนั้นแนะนํา แม้นี้ก็จัดว่าเป็นวจีวิญยัตที่มีโทษก็พระอริยบุคคลทั้งหลายย่อมไม่บริโภคปัจจัยที่ใช้วจีวิญยัตที่มีโทษนั้นบอกให้ทายกรู้และบุคคลผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่น่าดูหมิน่นหน้าตำหนิหน้าติเตียนหน้าเหยียดหยามไม่น่าเคารพในความเห็นของพระเดียเจ้าทั้งหลายย่อมถึงซึ่งความนับว่าเป็นผู้มีอาชีวะแตกทาลาย ขอถวายพระพรแม้ท่านภาษารีบุตรเมื่อพระอาทิตย์อัสดงคตคืนหนึ่งป่วยไข้เป็นโรคลมขึ้นภาษารีบุตรป่วยเป็นโรคลมขึ้นคล้ายว่าท้องอืดแบบเนี้ยนะท่านพระมหาโมคคลานะไปเห็นเข้าก็เลยถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านได้ยาอะไรฉันอะไรจึงหายหายจากโรคภาษารีบุตรก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนถ้าท่านป่วยแบบนี้เนี่ยนะ แม่แม่ของท่านนะนะก็จะทํำข้าวมะทุปายาที่มีน้ําน้อยเนี่ยเอามาถวายท่านฉันอย่างนั้นแล้วท่านจะหายเพราะะฉนก็เออพระโมคขาลานะก็บอกว่าถ้ามีบุญพวกนี้ก็ได้แหละนะผีเทวดาที่อยู่ตรงนั้นก็ไปสิงอุบาสกที่เป็นอุปถัาสิงแล้วก็บอกว่าให้ทํำข้าวมะทุปายาจัางเงี้ยให้ถวายพระสารีบุตรทีหนึ่งที น, นี้ตอนเช้าพระโมคขาลานะก็ไปบินธบาได้ข้าวมะทุปายาจากที่ต้องการพอดี ท่านก็บอกว่าท่านก็จะกลับแล้ว อ, อ, อุปถากก็เลยบอกว่านี่มนชั้นไปก่อนเธอยังมีอาหารอย่างอื่นเนถาวายให้ไปอีกก็ได้ก็ท่านชันเสร็จล้างบาตรแล้วก็ใส่อาหารไปเต็มบาตรเอาไปถาไวายพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็รับเตรียมจะฉันพอจะฉันเข้าเนี่ยนะก็เลยนึกถึงเอเนี่ยมันได้มาเพราะเราพูดมาก่อนอนเนี่ยอาหารอันเนียจึงได้มา พะฉันท่านก็เลยบอกพระโมคคัลลานะบอกอาหารนี้ไม่สมควรเอาไปทิ้งทีท่านพระโมคคัลลานะก็ก็ก็เอาไปเททิ้งเลยเขาบอกว่าพร้อมกับเททิ้งอันนั้นแหละโรคลมของภาษาราบุตรก็หายไม่เคยเป็นอีกเล ย, ยเนี่ยนะพร้อมกับเทอาหารนั้นทิ้งทีนี้ภาษาราบุตรเนี่ยคิดว่าถ้าหากว่าท่านท่านฉันเนี่ยนะท่านก็จะเป็นเยี่ยงอย่างเป็นอะไรอีกตั้งหลายเรื่องเนี่ยนะคนก็จะถือเอาแบบเอาเยี่ยงเอาอย่างอ่ะนะ พันธันก็เลยไม่กล่าวคําอันนั้นอันนี้หมายเขาว่าเป็นผู้ที่แข็งครับที่สุดแบบสูงสุดเลยนะคือภาษารีบุตรแต่ว่าอันนี้ในในลักษณะของภาษารีบุตรแต่ในพระวินัยก็มีการกล่าวไว้หลายอย่างนะแต่พูดอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ได้ผิดวินัยอะไรนะแต่ว่าภาษารีบุตรเนี่ยเป็นเพ่เราว่าเป็นฮิริมากยิ่งสุดยอดของผู้ที่มีฮิริเนี่ยนะโอตะ ป, ปะยิ่งกว่าผู้มีฮิริโอตะปะคื อ, ค, อคือละอายจริงๆเลยแหละ ลายใจจริงๆเลยในในระดับที่เรียกว่าสุดยอดของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหิริโอตปะคือภาษาริบทเนี่ยนะเพราะท่านคิดว่ายาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะการเปล่งวาจาของเราอาชีวะของเราขอจงอย่าแตกทำลายเลยดังนี้เพราะกลัวการแตกทำลายแห่งอาชีวะท่านจึงสละยาคือคือข้าข้าออมัทุปาญาติเนี่ยทิ้งโดย โดยไม่ใช้รักษาชีวิตหรือไม่ใช่หรือแม้อาชีวะอย่างนี้ก็จัดว่ามีโทษพระริยะบุคคลไม่บริโภคปัจจัยที่ใช่วจีวินยัตที่มีโทษนั้นบอกให้ทายกรู้และบุคคลผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่ไม่น่าผู้ที่ทําแบบนั้นก็ไม่น่าดูมิน่นเขา้าไปเป็นผู้ที่น่าดูมิน่นน่าตําหนิน่ารังเกียจน่าติเตียนน่าเหยียดหยามไม่น่าเคารพในความเห็นของพระอรียเจ้าทั้งหลาย ก็จริงนะีสังเกตดูหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราไปวัดต่างๆเนี่ยนะตามหรือแม้กระทั่งเอาไปไปสังเวชนีชสถานเนี่ยคือหลายๆคนที่มาทําตัวในลักษณะนั้นเราก็ไม่มีเราก็ไม่มาเราก็หมดศรัทธาทั้งๆที่เราก็หลายๆท่านก็เป็นนักให้อยู่แล้วเนี่ยนะซึ่งไม่ได้มีความตระหนีอะไรแต่ไปเห็นพฤติกรรมของบางท่านเป็นพระพิสุทธ์บวชตามวินัยกรรมก็ตามหรือว่าอเอาผ้า น, นุ่งเองนุ่งห่มเองที่บ้านก็ตามเนี่ยนะ พฤติกรรมเหล่านั้นก็น่ารังเกียจจริงๆนะนะก็ก็กของมาเองก็ยังรับไม่ได้เลยว่างั้นนะขนาดนักบวช ด, ด้วยกันยังทําใจไม่ได้จะกล่าวไปยายถึงอุบาสกเนี่ยนะนะอุบาสิกาก็มีหลายแห่งเนี่ยนะที่ที่ไปที่ที่อินเดียเนะี่ยหรือแม้กระทั่งไปเมืองในในประเทศไทยเราเนี่ยไปวหวเจดีาบางแห่งเนี่ยพระพิสุที่แสดงอาการแบบนั้นเราก็แล้วก็ไม่มีความสุขนะที่ที่ได้เห็นแบบนั้นไม่เห็นยังจะสบายใจกว่าว่างนะั้นเถอะ ขอถวายพระพรภิกษุบางรูปในพูดถึงวจีวิญญาติที่ไม่มีโทษบ้างนะวจีวิญญาติที่ไม่มีโทษก็คือภิกษุบางรูปในพระศาสนานี้เมื่อปัจจัยมีอยู่กล่าวขอยาเป็นต้นเนี่ยนะในตระกูลที่พวกญาติได้ปรวรณาไ ว, ไว้วก็คือขอกับญาติและขอกับคนปรวรนาอ่านะบอกกับญาติบอกกับคนปรวรานาะนี่ชื่อว่าวาจีวิญญาติที่ไม่มีโทษ พระยาบุคคลทั้งหลายย่อมบริโภคปัจจัยที่ใช้ว่าจีวินยัตที่ไม่มีโทษนั้นบอกให้ทายกรู้และบุคคลผู้นั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่น่ายกย่องน่าชมเชยน่าสรรเสริญมีความประพฤติขูดกล่าวกิเลสถึงซึ่งความนับว่าเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ทีเดียวเธอเป็นผู้ที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอนุโมทนา ขอถวายพระพรส่วนข้อที่พระตถ า, าคตละเว้นโภชนะของเกษารธวชับ พ, พรามใดโภชนะนั้นน่ะบังเกิดเพราะการผูกปัญหาและการแก้ปัญหาผูกปัญหาก็พระองค์ผูกปมไม่ว่าเราก็เป็นชาวนานะเสร็จแล้วพรามก็ถามว่าพระองค์เป็นชาวนาอย่างไงอะไรเป็นไถของพระองค์เสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าพระองค์มีผามีา น, านคือปัญญาเนี่ยเป็นมีปัญญาเนี่ยเป็นผานเป็นต้นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ก็ฉุดฆ่าคมคีและกระทําคืนเพราะฉะนั้นพระตถาคตจึงปฏิเสธบินทบาทนั้นไม่ส่งใช้เลี้ยงชีพทั้งเป็นการแสดงธรรมนะทั้งจบแล้วเขาก็เลื่อมใสะนะแต่ก็ถือว่าพอพอแสดงธรรมจบเขายกอาหารนั้นมาก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นการขับกล่อมพระ อ, องค์ก็ไม่ฉันพระเจ้ามิรินก็กล่าวว่าพระคุณเจ้านาเกษตเมื่อพระตถาคตสวยพระกาหาร เทวดาปโปรยปลายทิพโอชาลงในบาตรทุกคราวหรือหรือว่าปโปรยปลายในบินทบาทสองคราวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคอยหยอดทิพโอชาแค่สองคราวคือที่สุกรามัถวะและในข้าวมะทุปายาตคือคือข้าวมะทุปายาตข้าวที่นางสุชาดาถวายก่อนตรัสรู้หรือสุกรามัถวะก็คืออาหารที่นายจุนทะอ่านะ กำมารบุตรถวายตอนก่อนจะปรินิพานพนาเกษตนก็ตอัว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตรเมื่อพระธัาคตสเสวยพระกยาหารเทวดาย่อมถือเอาทิพโอชะยืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็เกลี่ยลงไปในคำข้าวแต่ละคำที่ทรงตักขึ้นมาทุกคราวไปเพื่อพอตักอาหารขึ้นไปปั๊บเนี่ยนะเทวดาก็หยอดโอทาทิพขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่า นายวิเศษเนี่ยนะคือพ่อครัวของพระราชาเมื่อพระราชาเสวยพระกาหารก็ถือเอาแกงเอาแกงเอากับเนี่ยนะมายืนอยู่ใกล้ๆแล้วคอยเกลี่ยลงกับคำข้าวทุกๆคำฉันใดเหมือนกับว่าคอยหยอดให้คอยหยอดยืนหยอดให้นะนะั่นแหละขอถวายพระพรเมื่อพระตถาคตเสวยพระกาหารเทวดาย่อมถือเอาทิพโอชามายืนอยู่ใกล้ๆคอยเกลี่ยทิพโอชาลงในคำข้าวที่ทรงตักขึ้นมาทุกคราวไป ฉันั้นเหมือนกันอคมามมนีแหละ ท, ท, ที่ท้าวสักกะชมพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ไม่เป็นผู้มัวเมาในขณะบริโภคอาหารคือพระเทวดาเขาดูใจอยู่ตลอดนะใส่ทิปโอชาก็ใส่แล้วก็ดูใจพระพุทธเจ้าด้วยพระองค์คิดยังไงตอนที่ฉันนะ่ยนะคือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อะไรนะได้รับการตรวจสอบทั้งเทวดาทั้งมนุษย์มนุษย์ก็ไปอย่างอะไรนะลูกศิษย์ของ พระมายุพรามติดตามดูพระพุทธเจ้าเจ็เดือนพญามารเนี่ยทั่วไปเนี่ยติดตามอยู่เจดปีแล้วก็คนอื่นๆ อ, อ, อีกเนี่ยนะที่คิดว่าพระองค์เนี่ยไม่คลาดจากสายตาของสัตว์ไม่ใช่น้อยเลยแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่มีผู้ใดามาขรหาของพระองค์จริงๆเว้นไว้แต่ว่าพระเจ้ามเมรยนซึ่งเกิดในยุคหลงังๆอาศัยจากการศึกษาแล้วก็คาดเดาเอาเองว่าเออเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนี้ไหมอย่างโน้นไหมอย่างนี้ไหมซึ่งก็เป็น ไม่ใช่ว่าท่านไม่เลื่อมใสแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตสําหรับผู้ที่ไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็จะเอาเหตุการณ์เหล่านี้เอาพุทธพจน์ตรงนี้โยงไปหาตรงนั้นแล้วก็ตีรวนมากันเถอะคื อ, ค, อคือสร้างความเสียหายให้แก่พระพุทธเจ้าเพราะโยงผิดผิดพลาดเนี่ยนะเพราะโยงผิดที่อ่าไม่เข้าใจไอ้ตรงนี้ก็ไม่เข้าใจไอ้ตรงโน้นก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจทั้งสองที่แล้วโยงเข้าหากันอันนี้แหละที่สร้างปัญหามากเลย ทั้งทั้งเมื่อก่อนและปัจจุบันอันนี้ย้อนกลับมาว่าทิพโอชาของพระพุทธเจ้าเทวดาหยอดกับอาหารทุกคำที่ตักขึ้นมาทุกคราวไปขอถวายพระพรแม้ที่เมืองเวรัญชาเมื่อพระผู้มีพระภาคตถาคตเนี่ยสวยพระกิจอาหารที่ชื่อว่าสุขยะ ว, วัปุละกะวิหารก็คือข้าวแดงอ่ะนะพระพุทธเจ้าฉันข้าวแดงอยู่สามเดือนอะ่ะฉันข้าวแดงอยู่สามเดือน เทวดาก็ใช้ทิพโอชะคอยน้อมเข้าไปทําแต่ละคําแต่ละคําให้ชุ่มเพราะเหตุนั้นพระกายของพระตถาคตจึงได้กระปรี้กระเป่าก็เอาข้าวแดงข้าวแดงที่คนนึ่งเอาไว้เลี้ยงมาพระภิสุขเอาข้าวแดงไปบิณฑบาตได้ข้าวแดงนั่นมาแล้วก็มาใส่ครกตําตำแล้วก็เอามานึ่งเอามาอุ่นเอามาอะไรนี่ยนะก็ฉันนั่นแหละไปก็เลยเรียกว่าข้าวแดงคือคือเอาข้าวเปลือกเนี่ยมันนึ่งให้มันสุกก่อน มันนึง่งมาแช่น้ําแล้วเสร็จก็นึง่งเอาไว้ทั้งเปลือกอย่างนั้นมันก็ไม่เสียหายใช่เอาไปเลี้ยงม้าได้อีกนานเพราะว่าพ่อค้า ม, ม้านะพ่อพวกพ่อค้า ม, ม้าเหล่านั้นแหละในพระพิสุจิจำภ ร, รษาที่นั่นจะไปไหนก็ไม่ได้พร้อมกับพิสุห้าร้อยรูปก็เลยไปบินทบาทที่คอกมา้าเขาก็เลยเอาอาหารเนรูบละรูปรัปทานานรูปรัทานานท่านก็ไปถึงก็ใส่ครกตำตำตำๆแล้วก็มานึง่งมาอะไรแล้วก็ถวายอฉันกันแล้วก็พระนรก็ถวายพระพุทธเจ้า พระองค์ก็มาปั้นแล้วเทวดาก็คอยหยอดทิพโอชาให้มันนุ่มแม้นั้นก็แข็งโปกเหมือนใครเคยเห็นทานเข้าเม่าแข็งๆมั่งกันนะคล้ายแบบนั้นนะอันนี้มันไม่ใช่ข้าเมานึ่องไว้ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้อ่างแต่ก็เพราะอาศัยทิพโอชะที่พระองค์ใส่เข้าไปนั่นแหละทําให้อาหารแต่ละคําเนี่ยชุ่มพระกายของพระตถาคตจึงได้กับปรี้งกระเป่า ที่จริงก็เนี่ยเป็นเศษกรรมอย่างหนึ่งที่พระองค์เคยไปตําหนิให้ไปเถอให้พระอาหารหันต์ไปฉันข้าวแดงสัว่างั้นฉันอาหารอย่างนี้เลยไปกินข้าวแดงไปอย่างนั้นนะนะพุทวจีกรรมอันนั้นแหละก็เลยได้สวยข้าวแดงจริงๆแหละนะสามเดือนเนี่ยนะแล้พระพิสุก็เห็นด้วยอ่ะนะก็เลยได้ฉันข้าวแดงอีกสามเดือนด้วยกันมนะันวัจจีกรรมที่พูดไปแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยพูดอะไรเหอะมันจะสมพรปากไปหมดเลยอยนะ ปันหามันจะต้องพูดดีๆกับตัวเองไงพูดว่างไงบ้างขอให้พระเจ้ามีความโุขไงนะพูดอย่างนี้ไวเ้เยอะๆเจริญเมตตาให้ตัวเองบ้างพูดล้อเลียนคนนั้นทีว่าคนนี้ทีเน็บคนโน้นทีเดี๋ยวเดือดร้อนสมพรปากทุกอย่างนะเน็บคนอื่นอย่างไรตัวเองก็ได้ของฝากแบบนั้นนะนี่ลําบากมากคนถ้อยคําทั้งหลายเนี่ยต้องพยายามสามวรสํารวมระวังให้ดีๆสรุปพระเจ้ามิลินก็บอกว่าพระคุณเจ้า ข้อที่พวกเทวดาเป็นผู้ถึงความขวนขวายอยู่ประจําสม่ำเสมอในการปรนิบัติพระสรีระจัดว่าเป็นลาบเป็นความได้ดีของพวกเทวดาเหล่านั้นแล้วเนาะพระเจ้ามีลินย่างอนุโมทนาแม้เทวดานี้ได้บุญมากเลยนะแม้พระเทวดานี้เขามีบุญจริงๆแล้วเขามีลาบคํ า, าว่าลาบแปลว่าแปลว่าการได้เนี่ยแม้เทวดาเหล่านั้นเขาได้ดีกันจริงๆเขาได้หยอดทิพโอชาสายอาหารของพระพุทธเจ้าทุกคําทุกคํา เขามีบุญแท้สาธุพระคุณเจ้าน่ากเกษมข้าพเจ้าขอยอมรับตามคำที่ท่านกล่าวมานีอพระองค์ไม่ได้ขับกล่อมเหมานกันเถอะ